ทำบุญแต่กลับไม่เชื่อว่ากรรมมีผลถามรู้จักอยู่คนหนึ่งเขาชอบทำบุญอยู่เรื่อยแต่ใจกลับไม่เชื่อบุญบาปไม่เชื่อว่ากรรมมีผลสรุปคือแม้แต่ทานที่เขาให้ไปเขาก็ไม่เชื่อว่าจะสนองคุณตกรางวัลเขาเมื่อไหร่ที่ไหน อย่างนี้เขาจะได้บุญหรือรับผลบุญในอนาคตไหมครับตอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าทำเหตุถูกแม้ไม่ต้องการผลก็ต้องได้รับผลอยู่วันยังคำ่ำอย่างเช่นการให้ก็คือการให้เขาได้กระทำเหตุคือการให้ไว้แล้ว ก็ยอมได้รับผลเป็นการได้ในภายหลังส่วนจะได้อย่างไยบูนหรือไม่ต้องดูองค์ประกอบทางใจหลายๆข้อไม่ใช่แค่เชื่อหรือไม่เชื่อวิบากกรรมแล้วจะได้รับรางวัลเพิ่มหรือลดหวมหาบยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาให้ทานด้วยความตั้งใจส่งเคราะห์ผู้รับอย่างแท้จริงแม้เขาเป็นผู้ไม่เชื่อเรื่องกรรมวิบากเลย ในการที่กรรมเผลดผลเขาก็จะเป็นผู้มีความสามารถซื้อหาสิ่งของน่าชอบใจมาบำรุงสุขให้ตัวเองอย่างเหลือล้นและเขาย่อมเป็นที่หน้าต้อนรับเมื่อพลาดพลังต้องตกอับย่อมมีผู้เห็นแล้วสงสารอยากช่วยเหลือเป็นต้นตรงข้ามแม้ปากบอกเชื่อเรื่องกรรมวิบากแต่หากองค์ประกอบของการให้ทานบกพร่อง เช่นตั้งหน้าตั้งตาทำบุญเพียงพระหวังได้ลาบอามิ t h สนองคืนอย่างนี้ในการที่กรรมเพล็ดผลเขาก็จะได้รับผลเพียงน้อยเท่านั้นและอาจจะเป็นพวกขี้โลกใครเห็นก็นึกหมั่นไส้ไม่อยากช่วยเหลือแม้กำลังลำบากอยู่แท้ๆมีบางการณีเหมือนกันครับที่ไม่เชื่อกาวิบากแล้วทาทาน ก็ต้องใช้กำลังใจอย่างใหญ่หลวงเช่นเศรษฐีบางคนสละทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเกือบหมดเกลี้ยงโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้มาดหมายว่ามีชาติหน้าก็หมายความว่าเขาเลียงประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ผ่องแผ้วให้ในความหมายของการให้อย่างทองแท้ผล ย่อมใหญ่ครอบโลกตามกําลังของจิตไปด้วยหมายความว่าเกิดใหม่ในจังหวะที่กรรมผลผลย่อมไม่มีอะไรในโลกที่เขาอยากได้แล้วเกินกําลังซื้อหาอย่างไรก็ตามต้องกล่าวตามสัจจะครับว่าถ้าองค์ประกอบของการให้ทานครบพร้อมคือคิดสงเคราะห์ด้วยเชื่อในผลของทานด้วย ก็ย่อมอยังจิตให้เกิดศรัทธาปสาทะตั้งมันเป็นโสมนัสได้ยิ่งใหญ่ที่สุด